พุทโธสวัสดีค่ะท่าน FM 106 แล้วก็รายการชื่อสรรสีสนทนาเป็น ใช้ธรรมะของพระพุทธองค์เข้ามาขยายค่ะเราอืมทีอ่าเรื่องสัปดาห์เอ จริงๆตั้งท่าจะถามท่านมาหลายวันอยากถามอีกสักครั้งนึงเพราะว่าวันเนี้ยอยู่ดีๆก็มีคนบอกว่า อ่าดิฉันก็นึกถึงเรื่องของรักเพราะรักเกลียดเกลียดเกลียดเพราะเกลียดๆดิฉันทุกคนไม่เข้าใจอ่ะก็เลยอยากกราบเรียนถามคือคือ บางคนบางคนก็รักบางคนก็เกลียดรักของ นะซึ่งผัสสะอื่นก็จะพูดถึงเรื่องอื่นนะเช่นบอกบางทีบอกถึงเรื่องภาษาบ้างบางทีบอกถึงเรื่องอ่ากิเลสเรากําลังพูดถึงนัยยะ เออให้เค้ามีท่าทางดีอ่าใช่เพราะอะไรเพราะเค้ารักหมาของเราค่ะนี้ก็จึงทําให้มีค่ะเข้า นะมันตรงมันมาแล้วมันก็มาดึงหางหมาตีหมาเราอย่างงี้นะทีนี้ถ้าสมมุติมีคนอีกกลุ่มนึง นะเราแต่เรากลับเกลียดเขาเพราะเขาทําไม่ดีกับเราอันนี้เรียกว่ารักเพราะเกลียดหรือว่าเกลียดเพราะเกลียดอันนี้เกลียดเพราะนะอยู่กับตัวเรา <ith> ใช่มั้ยอยู่ที่ตัวเรานะตัวเราคนอื่นอย่างนี่ก็เรียกว่ารักเพราะรัก <ferry iana. S 2> <Rou> นะแล้วปรากฏว่าเราเกลียดเขาเพราะอะไรเพราะไอ้กลุ่มที่ 2 ที่มาทําไม่ดีกับค่ะเราก็เลยเกลียดมันความเกลียดนี่ที่ หมานั้นถูกมั้ยเราไม่ชอบหมาบ้านตรงข้าม 3 มันจะไปทําดีกับหมาตัวนั้นเอาอาหารให้มันค่ะเราก็นะแต่พอ มันเกิดขึ้นในใจเราอีกเหมือนค่ะอันนี้คือคือเกลียด 4 นะเค้ามาตีหมามาดึงหาง เทศกิจก็จับมันขึ้นรถมาหนีบหูมันเรารู้สึกพอใจนิดนึงอ่าสะใจนะ เราจะเรียกว่าเป็นหัวข้อทําอะไรล่ะคะเอ่อเป็นหัวข้อเค้าเรียกอารมณ์แล้ว แต่ขึ้นในใจของเรานะอาศัยอะไรเป็นเหตุอาศัยความรักหรือความเกลียดเป็นเหตุค่ะเพราะฉะนั้นดิฉันมันมัน ไอ้ตอนหลังรู้สึกเกลียดจะได้อธิบายได้ถูกอ่ะอ่าค่ะเอ่อนี่คือสิ่งที่เรียกว่า 4 ประเภทนะธัมมารม 4 ประเภทนี้มัน เพราะมันจะทําให้จิตใจของเราเนี่ยหวั่นไหวไปตาม 4 กลุ่มเราก็รักคนทั้งกลุ่มบางกลุ่มเกลียดคนค่ะอันทั้ง 4 อย่างนี้ นะแล้วก็เอ่อเห็นตามที่เป็นจริง 4 อย่างนี้ได้เลยค่ะอ่าจะเป็นเราไม่ต้องหวั่นไหวค่ะไม่ว่าคือถึง ก็เหมือนกับถามท่านต่อว่าเอ๊ะแล้วมันดีหรือไม่ดีนะคะเพราะ นั่นก็ที่เราจะไปถึงว่ามันนี่เค้าเรียกว่ามีการโต้ตอบค่ะนะ 2 ก็จะมีการถือ เอ่อยามลุกโพล่งขึ้นมาลุกโพล่งนี่คือเนี่ยนะไฟเนี่ยถ้าเราไปจับมันมันไม่มีตัวตน ไปพบไหนก็จะมีเกิดต่อไปอ่ะเป็นลักษณะนี้คือไม่เกลี่ยมแล้วถ้าเราละทั้ง <Okay. S 1> 4 อย่างนี้ได้นะละความรักที่กับจะความเกลียดความ เอ่อลุกโผล่ขึ้นนั้นแล้วก็การที่ burn ใช่ๆๆพูดเป็นภาษาฝรั่งให้เลย แต่ว่าในระหว่างทางให้ท่านสังเกตว่าในระหว่างทางให้ท่านสังเกตสิ่งที่มันเกิดอืมเพราะ เลิกรากันอ๋ออืมมันมันมีที่เป็นอย่างนี้อีกนะกันก็ตามนะเป็นฝ่าย แต่ความไม่พอใจเนี่ยมันเก็บอยู่ข้างในใช่ป่ะพอพอมันเจอเรื่องอะไรที่มันจะค่ะทั้งๆค่ะเออแต่มารมนี้มันๆกันแต่ก็ยังแล้ว แล้วก็เราก็มีโอกาสที่จะพัฒนาในเรื่องของจะทําให้ทําได้ ท่านอยู่ที่วัดป่าดอนหายโซอุดรธานีนะคะอําเภอหนองหานช่วงที่ 10 วันในคอร์สปฏิบัติธรรม ธรรมะของพระศาสดาให้กับเป็นชาวพุทธท่านได้เห็นคุณวิเศษในความเป็นผู้ที่นับ ทุกวันทุกวันปรับประยุกต์ได้ทุกเรื่องเลยนะคะที่ได้นํามาพูดๆกับท่านทั้งหลายด้วยเช่นเดียวกันค่ะ อ่ะไม่ทํา